หมดทางเสีเดียวไม่มีทางที่จะดีได้ดังกล่าวบางคนเราก็ขอเจริญพรว่านึสัยไม่เหมือนกันแบบอย่างก็ไม่เหมือนกันเหมือที่ตัมมาพูดให้โยมฟังเสมอทุกวันพระไม่ไผยก่างกล้องปีน้องกันกาจทองเดียวยังเหมือนกันไม่ได้เคยพูดให้ฟังเสมอเนี่คู่แฝดแทๆ้ๆคู่แฝด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 เรียนวิชาความรู้หาวิชาใส่ตนก็เป็นไปได้ง่ายได้คนที่ไหนไม่สนใจธรรมะโดยธรรมชาติชีวิตรับรองทำอะไรย า, ยากหมดแก้ปัญหาเพราะไม่ได้หรือยี่ในยยะหนึ่งเรียกว่ากรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตแก้ได้ทุกอย่างทาให้พัฒนาปัญญามหาปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้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 การเจริญกรรมฐานต้องการให้ใจเย็นถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่เราใจเย็นแล้วไม่ร้อนอกร้อนใจเหมือนไฟผุมขอนสมเจตสมใจให้เราต้องร้อนอกร้อนใจตลอดรายการใจก็เย็นล่ให้ใจยาวๆไม่ให้ใจชัง่งจนเจริญกรรมฐานเดินจงกรมเช่นยืนหมอห้าครั้ง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 เป็นของมองมาเห็นด้วยสายตาและจิตใจเป็นของใครของมันเท่านั้นการปฏิบัติกรรมฐานต้องการจะได้รู้ตัวว่าเราดูชั่วประการได้หายใจให้ยาวไว้ถ้าเดินตรงกลมพยายามให้เดินช้ายกเท้ากันมาสองนิ้วยืนหนอห้าครั้งแล้วขวาเล็นตาดูเวลายืนหนอห้าครั้งหลับตาอย่าไปลืมตา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 ขวาย่างหนอได้ปัจจุบันช้ายย่างหนอให้ชาทในจุดที่จะชาได้ทำอย่างนี้สักหนึ่งชั่วโมงเดินไปถึงแนวก็แล้วก็ชิดขวาชิดซ้าแล้วก็กลับหนอกลับหนอกลับหนอกลับขีดกลับแปดแปดจังหวะกำลังวอียด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 ถ้า ต, ตางคนต่างมีสติสตั่งปัญญะดีแล้วก็จะ เ, เ, เกิดผลเสื่ยวกัท่านเองโดยเฉพาะอย่างอื่นไม่ได้ผลแน่นอนถ้าหาว่าเราขาดการเจริญกรรมฐ า, านมันก็หมดโอกาสที่จะทําดีได้การกําหนดสิษย์เราทําได้ทุกมิตีทางตาเนี่ยมันต้องดูอยู่แล้วหูก็จะต้องฟังอยู่แล้วตาโมก็ได้ฟินอยแล้ว ลินลับรถอยู่กับเหล่าเวลาการการลางจำผาดร้อนหนาวอ่อนแขนตลอดรายการแล้วเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะหลอรลู้ในกองการชั้นขายของเราอ่านออกบอกหน้าใช้เป็นอย่างนี้ท่านก็จะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติกรรมาาปิดประตูอบายได้นรกเปรตอสุรกายจัตติเลฉานท่าจะไม่ไปถึงนั้นอำนาจโลภะตายไปต้องไปเป็นเปรต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 ไม่มีกายด้วยนล้วเราเกิดมาก็ไม่เป็ น, บ น, บนใบบาทเดะเฉลี่ยสุขมนุษย์แต่ตาอาการใดอาการสามทุกสองก็ครบก็นับว่าโชคดีแล้วเราย้ายโชคร้ายเลยการเจริญกรรมฐานทําให้เราโชคดีนะทาให้เรามีปัญญาบางคนประกอบอาชีพการงานค้าขายทําไร ใ, ใช้านาพอมานั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมสามีภรรยาเลิกทะเลาะกัน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 สามดีที่มีวิชาความรู้ความสามารถสีดีที่มีสัญธรรมการดูสี่ อ, อย่างที่จะเกิดขึ้นจากหน้างกจะเล่นกรรมาฐานอย่างที่แน่นอนการดูต่อบุคค ล, ลรปูปะคูณของบิดามารดารปูปลคูณของครูบาอาจารย์รูปลคูนของโบาากบบบู้บุปกาละบุปกาลีเป็นต้อะการดูต่อสถานที่ รูปะคุณของอาชีพการงานรูปะคุณของประธานการศึกษาที่เราได้ร่ำเรียนการวิชามาจะเกิดขึ้นในตัวท่านเองรูปะคุณกระตันดูต่อประานที่ยังไม่พอของกระตันดูต่อความดีรูปะคุณของความดีที่เขาทำให้เราเป็นคนดีลืมไม่ได้ ดองแน่นอนเลยต้องเป็นคนกระตัรดูตัวเวทีเป็นสมบัติของผู้ดีอย่างแน่นอนเป็นสมบัติยานทักนะศึกษาของชีวิตนี้โดยการกระตันดูเป็นยานของบุคคลผู้สร้างความดีออกนี้มามาเป็นต้นกระตันดูต่อตัวเองชงสารตัวเองพึ่งช่วยตัวเองต่อรักษาสุขภาพอนงามไมอย่าให้สุขภาพอนงามไมต้องเสียหายไปแล้วก็ รักษาสุขภาพอ น, นาคตมรักษาอย่าให้มัวหมอ ง, งจิตใจให้คล่องแค่ว่องไวรวดเร็เวทางใจถูกต้องเป็นธรรมอย่าให้ไปไปอยู่ในอามายามุกหาความสนุกในสังคมเนีย่ยเป็นเรียกว่างามส่ที่ดีที่แบบประการดูสอหยักก่อนจะเกิดขึ้นในตัวท่านเองโดยเฉพาะพระท่านทั้งหลายถจะเจริญพระกรรมฐานเพิ่มขึ้นมากๆ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 สถานเจริญนี้ปัสสนากรรมฐานาดังกล่าวมาจางข้างต้นแล้วปาะธานทำแล้วจะมีอานิสงส์ก็ขอว่ากลับไปบ้านหรือไปไหนแล้วเดินจงกรมวะก่อนจะนั่งเดินจงกรมก่อนต้อนเดินจงกรมก่อนเสมอเดินจงกรมอานิสงส์แรงมากคือหนึ่งอ <c oughs> ดทนต่อการเดินทางกลสองอดทนต่อการบำเพ็ญเพียร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 ดีที่เรามีความพิจารณาด้วยปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาให้รู้จักในการชีวิตนี้คือมีค่าจากการกระทาทั้งหมดที่กล่าวมาจะขั้ขต้นนี้ทำให้ชีวิตมีค่าการกระทำดีหมดทุกอย่างกระทำให้เราอดทนด้วยใครจะพูดจะอะไรจะด่าจะว่าอะไรเราก็ตั้งท้อถือที่หู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 นาหนิวหนิวคือคิวข้หมวดคนที่มีเมตตาจะยิ้มหนอกยินมนายิ้ ม, ย ม, แยมแย้มแจ่นใช้ถังใจชนธนาเจนะาจาระเลาะสองอเลาะเพื่อเพื่อขาดเหลือให้ดูกันในสัมพันธ์ของในตีนจะตัดท่านนาสารภา พ, พในปัตตพีเอาไม้จีแยกได้ยังใจจง <c oughs> <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นอย่างท่านทั้งหลายดังกล่าวแล้วสุดท้ายนี้ขออนุโมทนา